สิกขาบทที่7ภิกษุณีใช้ผ้ารับกรดูแล้วไม่ยอมสละต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี